นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองพระองค์งนั้นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ เรื่องความไม่คุกคลีเรื่องความเปลี่ยนเรื่องสีเรื่องสมาธิ ใส่ซึ่งหูด้วยซึ่งเสียงตั้งหลายด้วยจงเกิดความรู้แจ้งต่อหูการประจุพร้อมกันแป็นคำสามประการคือหูเสียงและการรู้แจ้งต่อหูตั้งคืออักษร ซึ่งจมูกด้วยซึ้นกลิ่นต้งหลายด้วยจึงเกิดความรู้จ้งทางจมูกการประจบพราะไปตามสามประธานคือจมูกกลิ่นและการรู้จ้งทางจมูกเป็นคือภัจจัยเพรามีปัจจัยจึงมีเวทนาเพมีเวทนา ใจต่างลิ้นการทุกข์ร้อนในต่งงนตงนนตางสัตวมกันคือลิอ้นโรดและการตรวจจับต่างลิ้นนั่นคือปัสสาวะเรามีปัสสาวะจะมีเวทนา r รามีเวทนาจะมีปัญหานั่นคื n ความตั้งต้นร้อนแห่งความทุกเพราะอาศัยเส้นกายด้วยเส้นสัมพัท รประสบความเป็นธรรมสารการคือจายสัมผัสทางกายและการรู้แจ้งต่างายัยงเกิดปัจจัยเพราะมีปัจจัยจะมีเวทนาเพราะมีเวทนาจะมีปัญหานี่คือความตั้งต้นก้อนเป็นความทุกเพราะอาศัยซึ่งใจด้วยซึ่งธรรมารมประยด้วยจึงเกิดความรู้จังต่างใจ สุตราใมดหสามประกานคือใจธรรมารมและการรู้แจงต่างใจเป็นคือผัสสะถ้ามีผัสสะก็มีเวทนาถ้มี ใช่ไม่มีความหิวและความกรายก็ไม่ประกฏนี้สันใดฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อตาไม่มีสุขะทุกันเป็นไปไดยังไม่เกิดขึ้นรสคัญ Thank you. ค, ครั้งกดสอบล้วพึ่งรือขึ้นซึ่งรากหลายแม่ที่สุดที่เท่ากันใส่บริษัทนั้นตัดต้นไมมันเป็นขั้นน้อยทั้นใหญ่ครั้งตัดเป็นขั้นน้อยขั้นใหญ่แล้วพึ่งผ่าครั้งผ่าแล้วพึ่งกระทำให้เ็นซีกซครั้งกระทำให้เต็มซีกซแล้ว จะตึงเป็นต้นไม้ไม่มีราห์ขาดแล้วเหมือนต้นปาลที่ถูกทำลายแล้วที่ขั้วเห้นยอดแล้วถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่เน่าอีกต่อไปเป็นธรรมดาความีเฉัใดความมีก็จำแนกเหมือนกันที่ไม่เจอผู้ใดมีปกติเห็นความเป็นตัวทั้งตำแซ ม, มทนทั้งพลาเ ป, เป็นที่ตัง้งแหงความดิมั่น ฉันม่ม สีตทลายก็ดีหรือเพื่อความเป็นสัตว์ีปีกแหพวกสัตว์มีปีกทลายดีเพื่อความเป็นสัตว์เ ล, ลื้อาแห่พวกสัตว์เลื้อยคานทลายกดีต่อ Yeah. <laughs> ทำมีทำให้ทุกความดี s a f r สัมัสต่างๆความรู้สึกที่เกิดจากสผัทางความรู้สึกที่เกิดจากสมผัน้ามกทางตและาใจภาเมื่อความรู้สึกคเวนาไม่มี เาายจึงมีตัณหาราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เราะอาศัยการได้จะมีการโกลธใจรักเพราะอาศัยความโกรธใจรจึงมีความตงหนัดหรือความพอใจเพราะอาศัยความตงหนักหรือความพอใจจึงมีความสยกโมโหลเพราะอาศัยความสยบโมโห จึมีความจับอกจับใจพระอาัยความจบอกจับใจจึงมีความต ร, ระหนี่เพระอาศัยความตระหนีจึมีการหวงกันเราะอัยการหวงกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแคือการใช้อวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคม Stop. <laughs> ทราบลายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหกว่าความสฉลียวมัวเมาจะไม่มีแก่กายในที่ใดใดโดยทุกชนิดทุกาการ ที่ว่าเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสนุกมมเมาแบนี้นั้นเป็นความเกิดก่าแล้วเพราะคำนี้คือต้องสร้โดยรายละเดี ย, ยดอยด่างนี้วาถ้าหากว่าความกำหนัดด้วยความพอใจจะไม่มีแก่ไกล ใ, ๆๆใที่ไหนๆโดยทุกชนิดทุกอาการและไจเมื่อความกำหนัดด้วยความพอใจไม่มีเพราะั่นัดไป ความกำนัก ด, ด้วยความพอใจโดยประกาศทั้งตัวแล้วความสยบมัวเมาจะมีขึ้นมาเรื่อยๆตันเหตุนั้นเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุคือสิ่งที่มาตอนคือเหุเกิดแเหตุปัจจัยของความสยบมัวเมานั่นคือความกำนัก ด, ด้วยความพอใจอานนก็คำว่าพระอาศัยความตลงใจครบจึงมีความกำลัง ด, ด้วยความพอใจ ทราบตัวรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าความตรงจากรักจะไม่มีแก่ใครๆโดยที่ในในนโดยทุกเสด she neat เนื้อตัหาไม่มีเพราะความดับไปแน่งตัณหาโดยกาะตังต้งตัวแล้วการสัยหาจะมีเกิน ทรา t โดยว่าถ้จะไม่มีแต่ไกลที่ไนๆโดยทุกชีิตทุกอากา a เรคือ สายรูป ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ถาหากวิ ญ, ญญาณของเด็กออนที่เป็นเชื้กระตามเป็นหญิงเป็นป่ า, ปปาจากขารดูเสียแล้วสนานนำรูปจะถึงซึ่งความเจริญนอกรื่นไบุ ใสในงารูปาายาใสความเกิดตืน้นร้อนแห่งโลกและการเกิดกัรแกและตายจะมีตื้นมาได้อย่างไรกันประเด็นในรื่องนี้กนแหลก ท, ที่สิ่งที่มาก่อน